เวลาต่างๆเนี่ยมากแต่กลายเป็นน้อยสิ่งนั้นคืออะไรคือการที่ทำตามเวลาแล้วก็ทำตามปกติเช่นมาเวลานี้นั่งสมาธิเวลานี้เลิกเวลานี้แล้วก็มาเวลานี้อีกนั่งสมาธิแล้วก็เลิกแล้วก็กลับกลับแล้วก็มาอีกตามเวลาเนี่ย การทําตามเวลาเนี่มันย่นตามความรู้สึกนี่มันย่นแค่นเวลาอื่นๆ น, นอกจากเวลาเข้าพรรษานอกจากเข้าพรรษานี่จะไปก็ได้จะมาก็ได้จะทําอะไรก็ได้ดูวันมันก็ยาวๆทีนี้พอเข้าพรรษาอตอนเช้าต้องทําอย่างนี้ตอนกลางวันต้องทําอย่างนี้ตอนเย็นต้องทําอย่างนี้ ต้องขึ้นก็ทําอีกมันก็สามเดือนนี่เหมือนกับสามวันอย่ น, นั้นเร็วอย่างที่หลวงพ่อประยู์ก็หลวงปู่ ม, มันไม่อยู่สี่ปีโอ้ยเหมือนอยู่สี่วันเพราะว่าเวลาเนี้ยทําเวลานี้ยก็ต้องทําทําทําตามเวลาเพราะฉะนั้นถ้าแม้นว่า บุคคลผู้เทศทำวิธิสาสมาธิซึ่งหลักการของการทำสมาธิก็จ ะ, จะสอนสมาธิอย่างไรนั้นเราจะเอาไว้สอนเป็นบทสุดท้ายคำว่าวิธิสาสมาธินั้นคือการทำเป็นประจำเช่นตอนเช้า6กโมงถึงหกโมงห้านาทีตอนกลางวันสิบสองถึงสิบสองห้านาทีตอนเย็น หกโมงกัหกโมงห้านาทีตื่นเช้าขึ้นมาทำอีกแล้วก็ต่อไปก็ตื่นเช้าหกโมงก็ทำอีกถ้าใครทำวิธีสมาธิได้ีปีหนึ่งน่ผ่านไปเร็วคือทำให้วันปีหนึ่งเนี่ยผ่านไปอย่างรวดเร็วแท้ที่จริงนั้นน่ะเวลาก็เท่าเก่าคือยี่สิบสี่ชั่วโมงเท่าเก่า แต่ความรู้สึกนั่นอะ่ะมันได้มีความรู้สึกว่าสั่งลงไปอันนี้อะไรเป็นเหตุถ้าเราพิจารณาดูก็คือว่าความนึกคิดหรือเรียกว่าอารมณ์ที่หรือว่าอุปทานต่างๆเหล่านี้ที่มีอยู่ในใจเนี่ย มันจะเป็นตัวสื่อทำให้ยาวได้ทำให้สั้นได้คือมันทาให้ยาวก็ได้ทาให้สั้นก็ได้อันนี้มันเกี่ยวกับไปเกี่ยวกับตัวสื่อว่าตัวสื่อนั้นสื่อให้กิริยาอาการต่างๆเหล่านี้เป็นขึ้นเพราะฉะนั้นตัวสื่อต่างๆเหล่านี้มันจึงต้องเข้ามา เกี่ยวข้องกับเรื่องของสมาธิเป็นอย่างมากเนื่องจากสมาธินั้นมีร่างกายเป็นตัวสื่อถ้าร่างกายอันนี้ไม่มีเนี่ยไม่ทราบว่าเราจะอะไรมาสอนกันก็คงมีแต่อธิษฐานกายมองก็ไม่เห็นใครก็มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นอร่างกายที่เป็นตัวสื่อนี่จึงเป็นตัวที่จะต้องทําตามอารมณ์ ทำตามความนึกคิดเมื่อทําตามความนึกคิดถ้าหากว่าปลอยปละละเลยสิ่งนั้นก็ไม่เป็นสมาธิหมายความว่าเกิดอาการที่มีความวุ่นวายหรือว่าคิดอะไรต่งางๆมากมายเกินไป เพราะว่าสื่อคือร่างกายอันนี้ไม่เกิดในความปกติเราลองคิดดูว่าถ้าร่างกายเกิดความไม่ปกติขึ้นมาเมื่อไรความสับสนวุ่นวายของจิตใจนี่ก็เกิดขึ้นทันทีแต่ในขณะที่ร่างกายของเรายังปกติอยู่ไม่มีอะไรเราเดินไปรับประทานไปนอนไปลุกขึ้นมาตื่นเช้าอย่างนี้ อไม่มีอะไรแต่พอเกิดอวิปริตทางร่างกายขึ้นมาเมื่อไรเมื่อนั้นมันก็เกิดความเวุ่นวายขึ้นมาทันทีจึงเป็นอันที่ว่าทราบได้ว่าร่างกายกับจิตใจนี่ต้องเป็นเครื่องอาศัยสิ่งกันละกันเมื่ออาศัยสึ่งกันละกันอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ จำเป็นที่จะต้องมาศึกษาความเป็นไปต่างๆนี่เกี่ยวกับเรื่องสมาธิให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ที่ได้สอนสมาธิมากจนกระทั่งหมดไปภาพหนึ่งแล้วนั้นยังไม่ถึงสมาธิเพิ่งมาถึงวันนี้เองนะตอนนั้นก็มีอธิบายบ้าง แต่ว่าไม่ใช่หลักการเืออธิบายไปว่าจิตรวมเป็นอย่า ง, งานัน้นสงบเป็นอย่างนี้อะไรก็ว่าไปเรื่อยๆตลอดจกนกระทั่งคำบริกรรมการตั้งใจวางใจการที่ต่อตั้งสมาธิอะไรต่างๆทางนี้เพื่ อ, เ, อเป็นการวางแผนให้นักศึกษาทั้งหลายเข้าใจในวิธีการวางแผน ที่จะพิชิตข้าศึกคืออารมณ์ที่จะมาทำให้เราขาดสมาธิอย่างนี้ <c oughs> คือเมื่อเราวางแผนที่ดีแล้วนั้นสมาธิไม่ใช่ของเหลือวิสัยของทุกคนจะทำได้แต่เพราะวางแผนสเปะสปัดะปะหรือว่าไม่มีแผนเรียกว่าเอายังไงก็ได้ อย่างเนี้ก <c oughs> ็เรียกว่าทําอย่างไม่มีไม่มีระบบหรือว่าไม่มีแผนการเมื่อเป็นเช่นนั้นสมาชิกก็ไม่ให้ผลเท่าที่จะพึงได้กาเรียกว่าทํามากเกือบตายอาจจะสามชัม่วโมงห้าชั่วโมงอาจจะปีหนึ่งไม่เท่าก็เขาทําขึ้นชั่วโมงอย่างเนี้มันก็น่าเสียใจแล้วก็น่าเสียดายด้วย เพราะอะไรเพราะว่าบางทีเราคิกว่านั่งสมาธินานนย่ยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งดีมันไม่ใช่อย่าง น, านั้นมันนานเท่าไหร่ยิ่งดีมันก็ไม่ใช่เช่นอย่างเราเอจะลงไปอาบน้ําในคลองหรือนเนี้ยยิ่งนานเท่าไหร่ก็ยิ่งดีก็แย่หน่อยเพราะว่าเมื่อลงไปอาบน้ํำพอเสร็จมันก็ควรจะขึ้น ไม่ใช่จะไปอาบอยู่อย่างนั้นแช่เย็นอยู่อย่างนั้นม่เช้าก็เป็นสคิวหรือว่าโอ้โหน้ำนี่มันเย็นสบายนะฉันจะอาบให้เต็มที่เลยตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงเย็นเย็นยังไม่พอนะยังอาบตลอดคืนอีกอย่างนี้คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้คือเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าจะอาบน้ำอย่างนั้นอ่อ ยกเว้นแต่ว่าเอเรือมันล่มหาที่ไปไม่ได้มันก็เสร็จน ok ั่นเรียกว่าอาบน้ําแช้อย่างนี้มันไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการวางแผนสมาธินี่เอจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญถ้าเราจะสอนให้คนเข้ามานั่งสมาธิแป๊บเดียวอย่างงี้เราก็แนะนําย่อมได้อคนที่มานั่งสมาธิโดยที่ว่า น่ต้องการความสงบต้องการความเป็นสมาธิน่ต้องการสมาธิพอที่ว่าจะรักษาตัวอย่างนี้เราสามารถแนะนำเขาให้เขาทำสมาธิได้ตามความประสงค์อย่างนี้คือเราแนะนำให้ไม่ต้องใช้การวางแผนไม่ต้องใช้วิธีการอย่างที่เราศึกษาเนี่ยอย่างที่คณะเราศึกษาเนี่ยเขาเรียกว่า ศึกษากันแบบสมบูรณ์แบบ่ะเพื่อที่จะให้เราเข้าใจทุกทุกด้านทุกกระเบียดนิว้วจนกระทั่งมาถึงในวันนี้เราก็มาถึงในข้อที่ว่าลักษณะของสมาธิลักษณะของสมาธินั้นเอในที่นี้หลวงพ่อก็จะไม่อ่าน่ะก็จะให้นักศึกษาไปอ่านเอาเอง ในของการอธิบายแต่จะย่อใจความที่สาคัญสาคัญเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าความสงบความจดจอ่อการลดระดับอารมณ์การมีความสบายความสงบความจดจอ่อการลดลดระดับอารมณ์ความมีการสบาย อันนี้คือลักษณะของสมาธิไม่ว่าจะทําไปแค่ไหนแค่ไหนเนี่ยนอกเหนือไปจากนี้ไม่มีมีอยู่เท่านี้แต่การที่เป็นเช่นนี้นั้นมาจะละเอียดลงไปก็สุดแล้วแต่อย่างความสงบเนี่ยจะละเอียดลงไปมากเข้ามากเข้าก็คือความสงบเหมือนกันกันกบธนบัตรใบละห้าร้อยอย่างเนี้ย มันจะมีใบเดียวก็ห้าร้อยมีร้อยใบมันก็ใบละห้าร้อยแต่ว่าค่ามันเพิ่มขึ้นเช่นอย่างใบละห้าร้อยมีใบเดียวก็ห้าร้อยแต่ว่าเมื่อไปมีร้อยใบพันใบเข้ามันก็กวา 500, า่าห้าร้อยไปร้อยเท่าพันเท่าอย่างเนี้ยอันนี้คือลักษณะของสมาธิมันจะมากเท่าไหลเนี่ยลักษณะคืออันเดียวกัน ใบละห้าร้อยเนี่ยมันจะไปแตกต่างกันไม่ได้หรือใบละพันหมายความว่าเราได้ใบละพันอย่างเนี้ย <c oughs> มีใบหนึง่งก็คือใบละพันแต่มันมีร้อยใบก็คือไอ้ใบละพันอันเดียวนั่นแหละแล้วก็มีพันใบหมื่นใบมันก็ไอ้ใบละพันอยู่นั่นแหละแต่ว่าในที่สุดค่ามันก็ออกมาตาม่างต่างค่าเพราะฉะนั้น ย่นย่อได้ใจความว่าลักษณะของสมาธิคือความสงบความจดจอ่อการลดระดับอารมณ์ความมีมีการสบายจะมีเท่าเนี้ยมีอยู่สี่อย่างเพื่อให้เกิดความชัดเจนความสงบใจคือสมาธิในลักษณะดังกล่าวจะเกิดจากการลดระดับอารมณ์ คือลดระดับของอารมณ์แม้ความจดจ่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เป็นลักษณะของสมาธิเพราะฉะนั้นเวลาที่มันจะเป็นสมาธิธรรมชาติที่เขามีอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยถ้าเป็นสมาธิมันก็คือความสงบอย่างที่เราจะนอนหลับอย่างนี้เราก็สงบไปหรือว่าอย่างเวลาที่ เราจะเรียนหนังสือครูบอกแยแสนะอย่างเงี้เราก็สงบก็เรียกว่าเป็นการสงบชนิดหนึ่งเราเรียกว่าธรรมชาติอย่างเนี้ย <c oughs> แล้วทีนี้าสาหรับความจดจอ่อก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วบอกว่าให้แกเขียนตามคําบอกนะให้แกคัดตัวหนังสือนะให้แกอ่านน้ำก็ต้องจดจ่ออยู่ในตัวหนังสือ มันเป็นอะไรอื่นไปไม่ได้ทำไมอันนั่นก็คือสมาธิอ่าแต่มันสมาธิใบละร้อยอย่างเงี้ยมันมีอยู่ใบเดียวอย่างนี้เป็นต้นอ่าหรือว่าบางทีถ้าหาพวกความสบาย <c oughs> อ่าเมื่อเวล า, าเขียนตามคําบอกเซจสบายแล้วอ่าส่งครูได้สบายแล้วนะเป็นอย่างงั้นมันก็มีสมาธิแต่นั่นมันสมาธิ ใบละร้อยใบยเดียวอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น เ, เมื่อได้รู้เรื่องของหลักการแล้วเราก็จะต้องหันมาดูตัวเราเองให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในขณะที่เรามาฝึกสมาธิกันทีนี้เราก็จะได้สอบตัวเราเองได้แล้วว่าเวลานี้ทั้งสี่อย่างนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราหรือไม่ความสงบเกิดเปล่าเกิดแค่ไหน ความจดจ่อเกิดหรือเปล่าเกิดแค่ไหนการลดระดับอารมณ์ลดได้แค่ไหนความสบายมีสบายแค่ไหนนี่นี่ก็จะเป็นการที่ว่าเวลาที่เรามาศึกษาดูแล้วเนี่ยว่าอ้การที่เราม า, ทานทำเนี่ยเราได้ยังไงมั่งอะไรที่เราได้ขึ้นเราก็จะตอบตัวเองได้ทันทีว่าเราได้แล้วแค่นี้หมายความว่าได้ใบละห้าร้อยมาสิบใบ ก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยถ้าหากว่ายังไงเสียสิบใบเนี่ยมันก็ต้องได้ด้วยกันล้วทุกคนทุกคนทีนี้เมื่อเรามารู้จากลักษณะของสมาธิแล้วเราก็ควรจะรู้จักกษณะที่มันขาดสมาธิคืออะไรลักษณะที่ขาดสมาธินั้นก็คือการเหมือรอยอ เป็นลักษณะของการขาดสมาธิความหลงลืมเป็นลักษณะของการขาดสมาธิตลอดจนความหุนหันพันแล่นทําไปโดยไม่ยั้งคิดเป็นลักษณะของการขาดสมาธิอันนี้การขาดสมาธิอันนี้มันมีเยอะกว่านี้แต่ว่าอันนี้พูดมาเพียง อ, อย่อๆสักสอสม อ, อย่างอย่างที่ บางทีเราก็เหม่อไปเลยฟังไม่อนั่งเหมือนกันละนั่งเหมือนกันฟังเหมือนกันตาก็ลืมหูก็ฟังแต่ว่ามันไม่มีสมาธิเพราะไม่มีสมาธิก็เหมื่อลอยไปแล้วเวลาที่ครูเขาสอนอย่างนงี้ยเงี้ยางี้เราก็นึกไปโ น, น่นถึงบ้านถึงอะไรไป อ่าอันนี้คือความเหม่อลอยความเหม่อลอยนี่จะมีเป็นระดับระดับอ่าระดับว่าพอเวลาฟังแล้วไม่มีความตั้งใจก็เป็นความเหม่อลอยอ่าชนิดอ่อนอออ่าตลอดจนกระทั่งอ่เมื่อความเหม่อลอยนี่แก่ยิ่งขึ้นมันก็กลายถึงกันกันกบว่าเราเนี่ยอ่าขาดทำอะไรก็ไม่ได้เถอะเลอไปด้วยปราการต่างๆ ทีนี้บางทีก็มีอาการอีกอย่างหนึ่งว่าสมองขาดระยะเขาเรียกว่าสมองขาดระยะสมองขาดระยะนั่นน่ะก็ได้พูดไว้แล้วว่าเออร่างกายกับจิตใจเนี่ยมันจะต้องสัมพันธ์กันทีนี้ใจเนี่ยมันก็อยู่ไปตลอดแต่มันขาดระยะไม่ได้ขาดมาหล่ก็สิ้นใจแต่ทีนี้สมองของคนเราเนี่ยมันขาดระยะได้ มาขาดนิยะาแต่มันก็ไม่ตายแต่มันไปเบลอเป็นบางครั้งก็หมายความว่ามันอาจจะไปถูกไอ้น้ำอะไรไปขยายให้ตรงปลายปราสาทเนี่ยมันเสื่อมสมรรถภาพไปอย่างนี้ <c oughs> ทีนี้มาพูดถึงว่าการหลงลืมการหลงลืมเนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็นสิ่งหนึ่ง ที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ขาดสมาธิคือความหลงลืมความหลงลืมมันนี้นั้นมันจะเกิดจากความที่เราจำไม่ได้เมื่อเราเกิดจำได้ขึ้นมาเนี่ยแปลว่าเราไม่หลงแต่เกิดจำไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยก็แปลว่าหลงแต่สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้น มันจะทะยอยเกิดขึ้นในขณะที่เอในตัวของเราเนี่ยมันจะทะยอยเกิดขึ้นในบางขณะบางขณะที่เกิดขึ้นนั้นอ่ะเป็นต้นว่าเอาเอาสบู่ไปวางไว้ที่ข้างห้องน้ําแล้วเราก็เดินเข้าห้องน้ําไปนี่สบู่อยู่ไหนหาเกือบตายอ๋อลืมไปวางไว้ที่ประตูเอง อันนี้คือความลืมไอ้ความลืมอันเนี้ยมันก็คือลักษณะหนึ่งของการขาดสมาธิอย่างนี้เป็นต้นไอ้พวกการหลงการลืมเนี่ยอ <c oughs> อันนี้เรียกว่าลืมอ่อนๆถ้าลืมแก่ๆไปมันก็เลยลืมว่าอันนี้เป็นอ อ, <c oughs> อะไรก็คิดเอาเองก็แล้ว ก, กันอั น, นี้ไม่อธิบายแล้ว <c oughs> คนนี้ใช่หรือเปล่า <c oughs> ทีนี้เอาว่าต่อไปว่าไอการขาดสมาธิด้วยความหุนหันพันแล่น <c oughs> คือว่าขุนหันพันแล่นทำไปโดยไม่ยังคิดเป็นลักษณะของการขาดสมาธิอันนี้ไอความที่เราจะตัดสินใจเนี่ยมันมีอยู่เยอะ ในเวลาชีวิตของเราแต่ละชีวิตเนี่ยมันการตัดสินใจนี่มันมีหลายอย่างแล้วก็สิ่งที่เกิดความผิดพลาดก็เกิดขึ้นสิ่งที่ไม่ผิดพลาดนั่นคือความมีสมาธิการผิดพลาดนั่นคือการขาดสมาธิอย่างคนเท่ตัดสินใจยิงตัวตายอย่างเนี้ยอันเนี้ยมันขาดสมาธิด้วยประการทั้งปวงหรือว่า มีการคิดว่าไอนี้มันไม่ดีแน่แล้วตัดสินใจไปเลยแล้วเราก็มาเสียใจภายหลังอะไรอย่างนี้ที่นี้ในสิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะของการขาดสมาธิแล้วความขาดสมาธิที่จะบังเกิดขึ้นแก่ทุกคนซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไรมันมีโอกาสที่จะจ้องให้เราเนี่ยขาดสมาธิ แต่มันจะเกิดขึ้นต้องเกิดขึ้นเพราะว่าไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่คราวใดก็คราวหนึ่งมันจะต้องหนุนเนื่องกันเข้ามาเพื่อที่จะทำให้เรามีลักษณะการขาดสมาธิ <c oughs> ด้วยความที่เรารู้ลักษณะสมาธิจึงทำให้รู้เพราะแท้จริงว่าที่เราพลาดพั้งไปครั้งแล้วครั้งเล่านั้นก็าการขาดสมาธิแท้ แต่แม้จะทราบว่าเราจะต้องเผชิญกับมันเราก็ไม่สามารถที่จะไม่ให้มันเกิดไม่ได้ทั้งๆที่เราไม่ต้องการอยากให้มันเกิดแต่มันก็จะเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเออเรามันเป็นฝ่ายรับลูกเดียวอย่างเนี้ยแล้วก็พวกอารมณ์หรือพวกสิ่งต่างๆเลยมันฝ่ายโจมตี ทีนี้มันเป็นฝ่ายโจมตีเราเป็นฝ่ายรับฝ่ายเดียวมันมาเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เมื่อเป็นเช่นนั้น <c oughs> เราจึงจะต้องมีเป็นการพรางครั้งแล้วครั้งเล่าเราในที่นี้แม้จะทราบว่าเราจะต้องเผชิญกับมันเราก็ไม่สามารถที่จะมาให้มันเกิดขึ้นก็ไม่ได้ก็ต้องยอมให้มันเกิดขึ้นซึ่งก็เป็นความบกพร่องของแต่และบุคคล ดังนั้นสมาธิจึงต้องเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขจุดบกพร่องในการขาดสมาธินี้ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นในการที่เราพากันทำสมาธิเรารู้จกักรษณะสมาธิเป็นยังไงเรารู้จกักรษณะขาดสมาธิเป็นยังไงอันนี้เรารู้เมื่อเรารู้เราแก้ไขได้ แต่คนที่ไม่รู้เนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรขึ้นมายังไงมาจากไหนอันนั้นน่ะแก้ไขไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเเป็นไปตามยถากรรมแต่ว่าถ้าเรามาทําสมาธกิก็มีบทบาทในการที่จะแก้ไขจุดบกพร่องในการขาดสมาธินี้ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากการสร้างสมาธิขึ้นมาแล้วก็เก็บพลังเอาไว้ เมื่อพลังจิตมีมาก เ, าเพียงพอก็สามารถที่จะลดระดับการขาดสมาธิได้ถ้าเรามีความเห็นเช่นนี้พร้อมทั้งรู้จากลักษณะต่างๆเราก็มีโอกาสที่จะแก้ไขด้วยการทำสมาธิที่เพิ่มพลังมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการที่เราได้ทำสมาธิอยู่ตลอดระยะเวลานั้น เราทำสมาธิอยู่ที่ใจของเราเพราะว่าใจของเรานี้จะเป็นผู้ทำสมาธิไม่ใช่อื่นใจของเรานี้จะเป็นผู้ขาดสมาธิไม่ใช่อื่นใจของเรานี้จะเป็นผู้ตัดสินใจผิดพลาดไม่ใช่อื่นใจของเรานี้จะเป็นผู้ตัดสินใจที่ถูกต้องไม่ใช่อื่นมันก็คือใจดวงเดียวอันนี้ของเราอันเดียวนี่แหละแต่มันก็เกิดผิดพลาด แต่มันก็เกิดเป็นความดีมันก็เกิดขึ้นมาได้ด้วยใจอันดวงเดียวอันนี้เพราะฉะนั้นถ้าใจดวงนี้มีสมาธิมีพลังจิตเพิ่มพูนพลังจิตของเราให้มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้ น, นใจดวงนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเคยตัดสินใจผิดพลาดเคยโมโหฉุนเฉียวเคยหุนหันพันแล่นเคยหลงเคยลืม อย่างนี้เคยเมื่อเคยลอยอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะหายพวกนี้ไปเพราะมันใจดวงเดียวอันนี้ด้วยเหตุอย่างนั้นเราจึงจำเป็นที่ว่าจะต้องสร้างพลังจิตนี้เพิ่มขึ้นยังไงเสียเราทำเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้นั่นแหละดีกว่าดีกว่าเมื่อเวลาที่มันตัดสินใจผิดพลาดน้ำตาตกในแล้ว ก็ถึงจะมานั่งสมาธิมันไม่ไหวแล้วด้วยเหตุดังกล่าวลักสูตรครูสมาธิจึงพยายามแนะนำให้บุคคลทั่วไปหันมาสนใจสมาธิทั้งนี้เพื่อให้พวกเขามีวิธีการที่จะเพิ่มพูนพลังจิตในการนี้ครูสมาธิจึงต้องรู้ลักษณะของการขาดสมาธิและ การมีสมาธิเนื่องจากผู้มีสมาธิเป็นผู้มีความเข้มแข็งในตัวของตนเองตลอดถึงผู้มีสมาธิจะสามารถเข้าควบคุมและยับยั้งความผิดต่างๆให้ลดลงมาได้นี่วันนี้ก็อธิบายแบบหลักการสักทีเพราะว่ามาถึงเรื่องของสมาธิแล้วนี่เก็จะ พูดเล่นๆก็ไม่ได้แล้วต้องพูดกันเอาจริงเอาจังแล้วเนี่ยมาถึงเทอมที่สองนี่ยก็เรียกว่าเทอมสมาธิซึ่งเริ่มจะมีความมัน <c oughs> หมายความว่าจะมีความมันเพิ่มขึ้นไม่ต้องเสีย อ, อกเสียใจหรอกว่าหลวงพ่อนี่นะไม่รู้อธิบายอะไรไม่เนหะ็นอธิบายสมาธิสักทีเรียนเกือบตายอะไรแงั้นอนี้กำลังจะเข้ามาถึงบทมันแล้ว เพราะฉะนั้นน่ะนักศึกษาอย่าพึ่งใจร้อนทําใจเย็นๆไปอย่างไงหรหลวงพ่อก็ต้องเล่าต่อละวันเนี่ยหลังจากที่ออกจากวาริตชุมวาริตภูมินี่แต่ก่อนมันเป็นกิ่งเขาเรียกว่ากิ่งวาริตภูมิจังหวัดสกลนครอ่าเดี๋ยวนี้เป็นอําเภอวาริตแล้วออกจากวาริตนะเดินอีกเต็มเหยียดนะ อกว่าจะถึงวัดสุดทาวาสวัดสุดทาวาสนั้นเป็นวัดที่พระอาจารย์เสาซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงปู่มั่นได้สร้างไว้อต่อมาภายหลังหลวงปู่มั่นก็ได้มาที่วัดสุดทาวาสนี่ในที่สุดท้ายที่สุดนี่ท่านก็มาละสังขานที่วัดสุดทาวาสนี้และลูกศิษย์กับอาจารย์ ก็เดินไปสององไม่มีใครแล้วตอนนี้เดินไปถึงวัดสุทธาวาสแล้วก็ขึ้นพักที่กุฏิเสร็จแล้วลุ่งเช้าขึ้นมาออกบินธบาตาพูดกันให้หละเอียดละออหน่อย <c oughs> อบินธบาตนี่ไม่ได้ข้าวเจ้าเลยได้แต่ข้าวเหนียววันนั้นไปก็คงจะไม่มีใครเขารู้จักว่าพระอาจารย์มาแล้วก็ ไม่มีใครมาส่งอาหารเท่าไรหรอกก็มีแต่เจวองเจวองก็ได้มาห่อเดียวเองก็เลยให้เน้นไปเก็บผักแ้วอยู่ข้างๆวัดนะมีต้นแ้วเยอะเก็บผักแ้ววันนั้นก็โอ้โหไม่เคยฉันอร่อยวันนี้ขอฉันให้เต็มที่สัหน่อยวันหนึ่งตกลงเป็นอันว่าฉันไปเกือบสองร้อยคำ พ่อแม่รู้นะว่าหลวงพ่อเนี่ยในตอนเป็นหนุ่มเนี่ยฉันเก่งเยอะกว่าอันดับหนึ่งอา น, นเอนะจริงๆนะแตามาอยู่ที่นี่ปีแรกเนี่ยยอมใจยังรู้เลยว่าเวลาไปสั่งอาหารนี่มนหลวงพ่อไปฉันในร้านเนี่ยต้องสั่งพิเศษนะบอกว่าจะกินจีบพวกร้านค้าบอกว่าเนี่เรื่อยๆจะเจ๊กี่คนนะวะเ่ า, าเนั้น โอ้ยหรือทามาแล้วการชุดใหญ่ทามาเสรเ็จพอทามาเสร็จแล้วหลวงพอ่อฉันคนเดียวแป๊บเดียวหมดโตแ <c oughs> จ๊กเจ้าของเราอาย่าหรือฉันอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ถือว่าธรรมดาแต่เทนี้มันไม่ธรรมดาสิมันเป็นข้าวเหนียวนี่เง <c oughs> นี้ มันเกิดไม่ย่อยสิทีเนี้เพราะว่าฉันข้เจ้านี่ยังไงเสี้ยมันก็ย่อยเพราะฉันข้าเหนียวแล้วมันไม่ย่อยไม่ย่อยเราจะทํำยังไงทีเนี้ยมันก็ตึงสิทีนี้เห็นเช้าขึ้นมาอ่าเขาบอกว่าแน่เอ่อเราก็ไม่ไปนวดแล้วไปนวดอาจารย์ไม่ไหวแล้วท้องมันตึงมันแน่นไม่รู้จะทํำยังไงมือตีอย่างเงี้ยึ โซดาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีไม่รู้จะทำยังไงก็เดินไปเดินมาเที่ยงคืนยังนอนไม่ได้ข้าวเหนียวนี่โอ้โหอิทธิพลสูงน ะ, ะตื่นเช้าขึ้นมาอาจารย์ก็เรียกมานี่มาคืนทำไมไม่มาบีบเพราะว่าไม่เกิดอาการขัดข้องขัดข้องยังไง ว่าฉันขนเหนียวก็เกือบสองร้อยมันไม่ย่อยอ่ะตื่นเช้ามานี่นะยังอิ่มอยู่เลยนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นในวันแรกที่ไปถึงว่าสุทาวาสทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าเวลานี้นะแกก็ดีเราก็ดีกำลังจะไปพบหลวงปู่มั่นเราก็จะตั้ง เรียกว่าตั้งตังตัวเต็มที่แกก็ตั้งตัวเต็มที่น ะ, ะเพราะว่าไหนไหนเราก็จะต้องเข้าถึงพยาราชสีแล้วท่านวางนั้นแม่ท่านก็บอนัง่งไปก็คุยไปอยู่ไปถึงอาทิตย์หนึ่งในอาทิตย์หนึ่งนี่ก็พูดว่าเราต้องทำอย่างนั้นเราต้องทำอย่างนี้แม่น้าหวาดเสียว <c oughs> ตกลงเนพูดกันเสร็จแล้วลูกศิษย์ก็อาจารย์ก็เดินทางไป ใช้เวลาเช้าแปดโมงไปถึงประมาณบ่ายห้าโมงเย็นบ้านโคกตําบลตรองโขบอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอัศจรรย์ไหม mm hmm. เมื่อเวลาที่เราเดินไปนั่นน่ะพระอาจารย์หลวงปู่มั่นท่านมายืนดับทางเราเรากำลังจะเดินเข้าไป ให้เราก็ไม่รู้อ่ะท่านเป็นหลวงปู่มั่นเนี่เราเราก็ไม่รู้ก็เราเนี่ยพวหลวงตาแม้เป็นยังไงท่านมาดักเราได้นี่แล้วทีนี้ท่านอาจารย์ท่านก็ท่านก็เดินไปแต่ว่าเวลาท่านยืนเนี่ยท่านยืนอยู่ข้างเนี่อท่านยืนอยี่ยท่านยืนอยู่ข้างขวา อาจจะเป็นข้างขวาอย่างนี้ยืนอยู่ข้างหนึง่งพระอาจารย์นีก็มองไปจากข้างหน้าถ้าไมมองข้างข้างอ่ะเอะ่ทีนี้เราก็เห็นก่อนซีทีนี้เรื่องมันอ่ะเราเห็นก่อนเราก็แบบโอ้โหนี่ออาจารย์อาจารย์น่ะหลวงตาอะไรมายืนอยู่เนี่ยโอ้โหตายแกเดี๋ยวเฮ่อแกโดนแ น, น่แ น, น่เลย <laughs> แกโดนแ น, น่แน่เลยรวันนี้โดนแน่แน่แล้ว เอเราลรูบลูบท่านว่าไงสองลูกศิษย์อาจารย์นี่มาเพราะว่าช้างเผือกมาแล้วเ่าบอกเนี่ยไอตัวแม่นะเขเรีย ก, กว่าตัวช้างตัวลูกเนี่ยเป็นช้างเผือกออเออตัวแม่ก็มาแล้วตัวลูกก็มาแล้วช้างเผือกมาโ ว, ว้ยเขาบอกเนย เราก็ตกใจเสีิเราไปโหนึกว่าหลวงตาตายครูละว่าเพราะเราจะไปนึกได้ยังไงว่าอย่างหลวงปู่มันนี่จะมายืนดักทางเราอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ยังไงท่านก็ต้องอยู่กุฏิยังไงท่านก็ต้องอยู่ในที่ที่สะอาดด้วยว่าอยู่ในที่สมควรแต่ท่านมายืนข้างทางเนี่ยเรื่องอะไรเอ <c oughs> เราก็ว่าไม่ใช่แน่แล้วอันนั้น เอ อ, อ, อาจานอาจารย์หลวงตาอะไรไม่ยืนอยู่เนี่ยพูอะไรแล้วแก <laughs> าจานแกดิวางบาตรเดี๋ยวนะี้าจาย์สั่งเลยวางบาตก็เข้ากราบไม่ไม่ต้องอย่างั้นไปกุฏิและทางก็เดินกลับกุฏิไป <laughs> เหตุการณ์มันจะเป็นยังไงเราก็ว่ากันต่อนะ <laughs> <laughs> ไอล่ย่อยย่อยอย่างเนี้ยนะ เอาไปเขียนไม่ได้ในหนังสือนี่เขียนไม่ได้เขียนขื้นเขียนไปเดี๋ยวยุ่งใหญ่เพราะฉะนั้นก็โชคดีของนักศึกษารุ่นสามได้ฟังหลายย่อยยังมีหลายย่อยอีกเยอะกว่าจะจบเนี่ยมันน อ, นอกเหนือจากชิตเนี่ยสาคัญถ้าึงไหนอ่ะเนี่ย ต่อไปก็เป็นการถามตอบปัญหาการตามปกติเชิญคุณสมมาตพงเว่9 0เก้าศูนหนึ่งกลับนรัชการหลวงพ่อกับคนเรานี่บางครั้งจะตายแล้วมักจะมีสิ่งบอกเหตุอาทิเช่นสั่งความไม่ที่บ้านว่าวันนี้ไม่กลับบ้านนะแล้วก็ประสบอุบัติเหตุตายไปเลยบางครั้งก็มีจิ้งจก <c oughs> ตกลงมาตายเอ่อขาดเรื่องเหล่านี้มันเนื่องมาแต่อะไรแล้วเป็นไปได้อย่างไรครับเอ่อลางสังหรน <c oughs> เราเรียกกันว่ า, าสิ่งบอกเหตุเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าปรากฏการณ์ปรากฏการณ์ในภาษาอังกฤษว่าอะไรนะฟิลนมน้ำ p h น n o m e n เออปรากฏการเนี่ยยกตัวอย่างเช่นในสมัยนน้นเขาจะมีปรากฏการว่าอย่างที่เขาว่าเขาไม่เชื่อว่าเวลาดาวหางมันเกิดแล้วมันจะมีเหตุนั้นเกิดขึ้นอ่บางทีเขาก็ไม่เชื่อว่า เวลามดมันออกจากรูมาแล้วเนี่ยน้ำมันจะท่วมเขาก็ไม่เชื่ออย่างเนี้ยแต่แท้ที่จริงเนี่ยสิ่งเหล่านี้เ อ, อมันเป็นีนนิมิตเขาเรียกว่านิมิตหมายหรือว่าอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าลางสังหรณ์เช่นอย่างว่าเดี๋ยวไปคราวนี้จะลาก่อนแล้วนะแบบนั้นเขาก็ไม่ว่าหรอกแต่แท้ที่จริงอะ คนนั้นกําลังจะตายอยู่แล้วอย่างนี้เป็นตน้นอาย่างจริงจบเนี่ยเขาว่าถ้าหากว่ามันกัดกันลงมาตายตกลงมาต่อหน้าเนี่ยยังไงเสียก็ต้องมีเหตุเกิดขึ้นหรือว่าไอ้ลางสังหรณ์เหล่านี้มันจะเกิดขึ้นกับในตัวของบุคคลบางคนเท่านั้นที่ว่าเกิดขึ้นในตัวของบุคคลบางคนเท่านั้นอ่ะเพราะว่าบุคคลคนนั้น เขามียานชนิดหนึ่งหรือเรียกว่าเป็นพรสวรรค์ของแต่ละบุคคลมันก็เลยทำให้มีการสังหรสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เชื่อไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อเป็นบางอย่างอันนี้ก็ตอบอยากนะ ก็ขอให้เป็นการวิจัยกันต่อไปก็แล้วกันว่าสิ่งเหล่านี้คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่มีพรสวรรค์และเหตุเหล่านี้เรียกกันเป็นภาษาของเราว่าลางสังหรณ์อันนี้ต้องเกิดขึ้นแล้วก็เมื่อเวลาเกิดขึ้นก็ถ้าหากว่าระวังไว้ก็อาจจะไม่เป็นอันตราย ก็เรียกว่าลางบอกเหตุคงตอบได้เท่านี้ก่อนนี้กราบขอพระสูงครับพพต่อไปขอเชิญคุณสมยงอาจจำนงพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงลุกสิขอกราบเรียนถามว่าในการนั่งสมาธิเพื่อไปสู่ความเป็นพุท ธ, ธานี้การนั่งสมาธินี้ เร า, เาให้หยุดการทำงานของร่างกายเอาไว้เช่นนั่งเอามือประสานทับกันขวาทับซ้ายไม่ให้ทำงานเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายไม่ให้ทำงานและยังหลับตาไม่ให้ทำงานเพื่อให้เกิดสมาธิลึกแต่ผมสงสัยว่ามีสิ่งหนึ่งที่เราหยุดการทำงานไม่ได้คือ จหมูหายใจเอากลิ่นเข้าไปหูฟังเสียงเป็นที่รำคาญอยากจะกราบเรียนอาจารย์ผู้อาจารย์ว่ามีวิธีแก้ไขอย่างไรที่จะดับสองอย่างนี้ให้หยุดทำงานครับดับลมหายใจก็มีหวังงวย <c ười> คือว่าการที่เราได้ยินเสียงเนี่ยมันคือการเกาะเกี่ยวอารมณ์ ทีนี้เราเนึกอยู่ในลมหายใจนี่ก็เกาะเกี่ยวอารมณ์เช่นเดียวกันแต่การเกาะเกี่ยวอารมณ์ภายนอกเช่นเสียงหรือเช่นอะไรนั่นอ่ะอันนั้นมันวอกแวกแต่ถ้าหากว่าเกาะเกี่ยวอารมณ์อยู่ในลมหายใจเนี่ยอันนี้จะไม่เกิดการวอกแวกแต่ว่าถ้าหากว่าจิตอันนี้ละเอียดลงไปจริงแล้วในลมหายใจนี่ก็จะหมดความรู้สึก พะเรารู้สึกในลมหายใจคืออารมณ์แต่เมื่อจิตของเรานี่สงบลงไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดความไม่รู้สึกว่าเราหายใจหรือเปล่าอันนั้นจิตละเอียดลงไปเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำสมาธิให้เข้าถึงจุดจริงๆแล้วก็คื อ, อพลังจิตนันนียมันเพิ่มพูนมากขึ้น พอเพิ่มพูนมากขึ้นเมื่อกลายเป็นฌานเพิ่มพูนมากขึ้นก็กลายเป็นจุดพลังอำนาจเมื่อไปถึงเช่นนั้นแล้วเนี่ยเสียงก็ไม่มีความหมายลมหายใจก็ไม่มีความหมายจิตจะเป็นสมาธิได้กราบขอบพระคุณมากต่อไปก็ขอเชิญคุณสมศรีจงอมรสมบัติกราบนมรสการพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงค่ะ อยากให้พระอาจารย์แนะนําเกี่ยวกับการมีจิตใจที่แน่วแน่ในการสวดมนต์หรือนั่งสมาธิเพราเสร็จทําอยู่เรื่อยๆแต่บางครั้งสิจะทิ้งไปเลยเลยป ร, ประมาณหนึ่งเดือนจนมีความยุ่งเหยิงในชีวิตประจําวันแล้วสิจะหันมาทําความเพียรอย่างเก่าอยากให้พระอาจารย์แนะนําวิธีให้จิตใจเข้มแข็งมั่นคงค่ะอจิตเข้มแข็งก็คือการสร้างพลังจิต การสร้างพลังจิตนั้นเป็นทางเดียวตัวนั้นที่จะทำให้จิตใจเข้มแข็งการสร้างพลังจิตนั้นก็คือการทำสมาธิการทำสมาธิแต่ละครั้งนั้นมันจะไปเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ไวจนกระทั่งมัเกิดความเกรง่งแต่ทีนี้เมื่อไม่ถึงเวลานั้นคือพลังมันยังไม่เข้าพันมันก็ต้องอ่อนไหวเมื่ออ่อนไหวอย่างนั้นตอนนี้เราก็ต้องใช้แค่อุบาย อุบายแนะนำจิตว่าถ้าหากว่ามันจะหวั่นไหวไปนในทางโกรธสมมติว่าเขาด่าเราว่าเป็นหมาเราคลั่เอ่คนเราไม่มีหางเราก็ไม่โกรธนี่คืออุบายนะคือเราใช้อุบายในขณะที่พลังจิตยังไม่พอต้องใช้อุบายแล้วข้อที่สองคือความอดทนเมื่อใครมาพูดมานินทามาว่าเรากระทำเฉยซะ ไม่อับใจใส่อันนี้คืออุบายกดตรงตบได้เท่านี้ก่าวขอบพระคุณค่ะอะต่อไปขอเชิญคุณสมศักดิ์ปัญญาวงศุลกลาวน้องสกา ร, การ์พระอาจารย์ครับเสิทธิ์อยากทราบว่าเ อ, อการที่นอนหลับธรรมดากับการที่เรานั่งสมาธิแล้วหลับอย่างไหนเนี่ยทาให้ร่างกายเราพักผ่อนมากกว่ากันครับ อ, อการหลับอย่างนอนหลับนั้นอนะ พักผ่อนทางกายการหลับแบบเข้าสมาธินั่นพักผ่อนทางใจเพราะฉะนั้นการที่เข้าสมาธิแล้วหลับนั้นคือเขาพวังนั้นการเพิ่มบุญพลังจิตคือพักผ่อนทางใจได้มากส่วนการนอนหลับที่เราหลับตามธรรมชาตินี้พักผ่อนทางกายเพราะฉะนั้น คนที่นั่งสมาธิอาจจะนั่งเยอะอาจจะเข้าไปต้งองเจอคืนคืนขวัญคืนแล้วก็นอนไม่หลับไม่ใช่คือไม่ได้เหมือนกับไม่ได้นอนหลับแต่ว่าได้เข้าไปพับผันทางใจเมื่อเป็นเช่นนั้นกายของเขานี่ก็จะเกิดการง่วงก็จะเกิดอาการที่ร่างกายก็จะเกิดออวิตหรีไปอย่างนี้เป็นตน้นขอบพระคุณครับ ต่อไปขอเชิญคุณสมศักดิ์ศรีสิทธิสนคุณนมัดกการหลวงพ่อคือเวลาผมทำสมาธิแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าสงบแต่ว่ามีบางครั้งเนี่ยจะเกิดใจไม่ค่อยสงบแล้วก็หายใจติดขัดไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไระคือเวลาที่ทำสมาธิไปนี่มันเกิดอาการจิกขัดทางลมหายใจใช่ไหม อันนี้เราแก้ไขด้วยการที่ว่าเราไม่ไปกังวลด้วยลมหายใจเราก็ปริกรรมพุทโธลมหายใจจะสั้นใจยาวจะอะไรก็สุดแล้วปล่อยไปเลยแต่เราก็กำหนดที่พุทโธเราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับลมหายใจอันนี้ก็จะหายไปได้เอาทีนี้ต่อไปก็เป็นคุญสะอาดองค์กัมนรัรพิบุญ กลาวใมรดการหลวงพ่อค่ะกลาบเรียนถามหลวงพ่อว่าการที่หญิงมีคันนั่งสมาธิเพื่อให้ได้พลังจิตนั้นจะมีผลยังไงต่อเด็กในครันบ้างคะจะได้รับพลังจิตด้วยหรือเปล่าคะ อ, ออันนี้ได้พลังแน่นอนเพราะว่าเวลาที่เด็กเมื่อเกิดในครันเนะี่ยความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกนั่นนะ่ะและไอ้ใจเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันสัมพันธ์เริ่มมาตั้งแต่การถือปฏิสนธ ถ้าหากว่าไม่เกิดความสัมพันธ์นั้นถือปฏิสนกับมารดาคนนั้นไม่ได้เมื่อจิตถือปฏิสนร่างกายนั้นก็เป็นเพียงว่าคือไม่ความว่าร่างกายเป็นเพียงว่าส่วนประกอบส่วนนั้นแต่จิตใจนั้นได้สัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นเวลาที่นอนหลับไปนี่ก็จะเรียกว่าอาธิษมานกายแคกใจอยู่ด้วยกัน เพราะฉะนั้นเวลาที่คนทำสมาธิที่มีคันอยู่นั้นจะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นที่ทางกายและใจขอบพระคุณค่ะต่อไปขอขอเชิญคุณสันทภพเตชะปะนิตกาบนมวัสการหลวงพ่อครับทิ์อยากจะถามว่าการทำสมาธิให้ถึงจุดพลังทำหน้า เราจะต้องใช้เวลานานเท่าไหรเราจะมีอาการและรับสัมผัสได้อย่างไรครับให้หลวงพ่อช่วยอธิบายถึงประสบการณ์และความรู้สึกในขณะสัมผัสจุดพลังอํานาจด้วยครับเออเกว่าเก่ากายจำจุดพลังอํานาจนั่นนะ่ะเราก็ผ่านไปทุกวันทุกวันเพราะเวลาที่เรานอนหลับเราจะผ่านจุดพลังอํานาจไปแต่เราไม่สามารถที่จะ มองเห็นหรือไม่สามารถที่จะไปสัมผัสเพราะว่าเรายังไม่มีเอพลังจิตที่พอเพียงเพราะฉะนั้นการที่เข้าไปสู่จุดพลังอำนาจนั้นก็คือการที่เราได้ถามว่าใครคือผู้รู้ใครคือผู้รู้นันเป็นจุดหนึ่งที่จะเป็นทางชักนำ แล้วก็ประการหนึ่งก็คือการาทำพลังจิตนี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็จะไปสัมพันธ์กันกันกบคำถามมันนั้นเราก็จะเกิดเกิดความรู้ก็เหมือนกันก็ว่าของเราหายไปอาภาพ่อขัวเนี่ยแล้วก็ไปหาเกือบตายอ้าวอยู่นี่เองหรอกเหรอมันก็จะรู้เองอันนี้ ก็พูดยากเหมือนกันเราอิ่มอย่างนี้ไม่รู้จะออกมาพูดยังไงได้คุณอิ่มฉันก็อิ่มฉันอิ่มคุณก็อิ่มก็รู้กันได้ตอนนี้ต่อไปขอเจอ ค, คุณวัฒนาจินดากราบพระมรรการหลวงพ่อครับผมอยากจะถามว่าการที่เรานั่งสมาธิแล้วหลับหลับแล้วเห็นเนี่ยนะครับกับการนั่งสมาธิแล้ว เ, เห็นนี่มัน เราจะรู้ได้ยังพเพราะว่เาเรานั่งเราเห็นเวเราหลับเราอ่าเรารู้ได้ว่าตอนที่ว่าพอเวลาที่มันจิตเราเนึกพุโทโธพุโทโธพุทโธไปแล้วเนี่ยมันจะหล่นปล่อยลงไปอย่างเงี้ยอันนั้นเ็าเรียกว่ามันเข้าพวังไปแต่พอเวลาที่เข้าพวังไปแล้วเนี่ยไปถึงนั้นมันก็ไม่ปิดอะไรก็เรานอนหลับมันก็จะฝันเหมือนเรานอนหลับแต่ว่า เราได้ประโยชน์ตรงที่ว่าเมื่อตอนที่จิตของเราบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุ <intro> พโทโธไปเนี่ยไปตอนที่มันจะหลนปล่อยลงไป ต, นนนนะไตรงนั้นน่ะไอ้ตรงเนี้ยมันจะเกิดความชํานาญขึ้นหลายครั้งหลายครั้งหลายครั้งหลายครั้งเข้ามันก็เกิดความชํานานพอเกิดความชํานานขึ้นมาแล้วเนี่ยไอ้ตรงนั้นมันก็ใกล้ต่อจุดพลังอำนาจด้วยเมื่อเกิดความชํานาญขึ้นมาตรงนี้นี่ จะทำให้เราเนี่ยเกิดเป็นวะสีอย่างที่เด็กอธิบายมา ต, ตอนออผ่าแลกมาแล้วเนี่ยเกิดวสีเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำจิตให้เทคาพวางตอน เ, ออเรานั่งสมาธิก็จะมีประโยชน์ตรงนี้แต่ถ้าหากว่าการนอนหลับเขา้าพวงเนี่ยไม่ได้อะไรก็นอกจากได้กภาพรล่างกายไป ต่อไปขอเชิญคุณสาทรแยมรังกราบด้วยราชการพระอาจารย์หลวงพ่อเจ้าค่ะเอสิตมีปัญหาที่จะถามหลวงพ่อเจ้าค่ะเกี่ยวกับการนั่งสมาธิเช่นกันเจ้าค่ะคือในบางครั้งนี้เวลานั่งจะมีความรู้สึกว่าเอาในตัวของเรานี่คือส่วนหนึ่งในขนช่วงกลางของร่างกายนี้จะไม่มีเหมือนไม่มีร่างกายอยู่เจ้าค่ะเป็นจะเป็นลักษณะแบบไหนเจ้าค่ะ อาการที่เราไม่ปรากฏพอเวลาเรานั่งไปนี่พอมันหมดอารมณ์คือเรานึกบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปเนี่ยจิตไปอยู่ที่พุทโธจนกระทั่งจิตเนี่ยได้ละอารมณ์ไปหมดมันก็ไม่เหมือนกับเราไม่มีร่างกายอันนี้คือหมายความว่าจิตเข้าฌานไปแล้วอันเนี้ย <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่าดี รบกวนอีกหนึ่งปัญหาเจ้าค่ะคือเวลาช่วงกลางคืนที่จะนั่งสมาธินะคะคือบางครั้งที่ตั้งใจแล้วว่าจะนั่งสมาธิเพื่อที่จะให้จิตสงบแต่พอเริ่มต้นานั่งไปได้สักสิบนาทีน่าจะเริ่มมีอาการง่วงอย่างอย่างเต็มที่ค่ะเจ้าค่ะจะแก้ปัญหาแบบไหนนีเจ้าคะตอนนั้นมันนั่งดึกไปหน่อยนะครับแค่เลยง่วงซี หรือว่าเราตื่นขึ้นมามันออดึกไปหน่อยมันก็จะมีเหมือนกันอาการตอนนั้นเพราะว่าถ้าหากมันเป็นอย่างนั้นก็นอนต่อได้พรหาย <c oughs> พะมันได้ไ อ, อ้ที่มันง่วงเพราะว่าร่างกายมันพักผ่อนไม่พอแล้วมันนั่งมันก็เลยง่วงเพราะฉะนั้นเราต้องพักผ่อนใมพอแล้วลุกขึ้นมาแล้วค่อยมันนั่งอย่างนี้ เจ้ า, าะคะ่ะอต่อไปสุดท้ายขอเชิญคุณสายชนสุภวิวัฒนคุณกลาวนมันสการพระอาจารย์เจ้าค่ะคือว่าเสิทธิ์ไม่มีคําถามของตัวเองที่จะถามแต่ว่าสิทธิ์มีคําถามของผู้อื่นนะคะคืออยากจะเล่าที่มาของคําถามก็คือว่ามีอยู่วันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาสวดมนต์ไหว้พระอยู่ในห้องนอนแต่ว่าในห้องนอนนั้นเนี่ยไม่มี พระพุทธรูปตั้งอยู่เลยแล้วก็เขาก็สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็กราบพระลงไปบนหมอนแล้วก็พอสวดมนต์ไหว้ไว้พระเสร็จเนี่ยก็เหลือไปเห็นลูกสาวนั่งอยู่ข้างๆแล้วก็เลยบอกว่าลูกไหว้พระด้วยสิจ้าแล้วลูกก็เลยบอกว่าไม่เห็นแม่ไหว้พระเลยเห็นแม่ไหว้แต่หมอนคราว น, นี้สิทธ์ก็เลยจะถามว่าในกรณีที่ในสถานที่ที่เราสวดมนต์อย่างเช่นเราไปต่างจังหวัดเราไปโรงแรมเนี่ยไม่มีพระพุทธรูปตั้งอยู่เนี่ยแล้วก็ เราไม่ได้จุดธูปจุดเทียนหรือไม่ได้ถวายดอกไม้เนี่ยเราจะได้อานิสงส์แห่งการสวดมนต์หรือเราจะได้บุญไหมแล้วก็ทําไมเราต้องถวายดอกไม้หรือพวกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่ถวายเนี่ยจะเป็นอะไรไหมเจ้าคะนี่มรรคหลวงพ่อละเรื่องออันนี้เรากราบไม่ต้องมีคือเราเอาใจของเราเนี่ยนมาตรการพระพุทธเจ้าอย่างที่เรากราบมีบ้าอยู่ข้างหน้านี่ พระนั่นก็คือเป็นไม้บ้างเป็นทองเหลืองบ้างเป็นอะไรบ้างเป็นวัตถุทั้งนั้นแต่เรากราบนี่เรากราบคุณธรรมของท่านเป็นอย่างคําว่ารหังสมาสัมพุทโธปควาพุทธังปควรรณังอภิวาเทมิข้าพเจ้าขอว่าพิวากราบไหว้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ไกลาจากกิเลสข้าพเจ้าข อ, ขอกราบว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทําไม่หมดกิเลสเราไม่ได้กราบเราไม่ได้กราบไหว้ไม้ไม่ได้กราบไหว้ทองเหลือง แต่ว่าเรากราบไหวคุณธรรมของท่านและการที่เราจะไปในที่ต่างๆไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีรูปพระพุทธรูปเราก็กราบไหว้แอบพระคุณของพระพุทธเจ้าก็มีผลเท่ากันแต่การที่ไม่มีดอกไม้ทุบเทียนนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่านะเท่ากันกับว่าเป็น อาวิสส์เป็นปุชาม้อันนั้นก็เป็นส่วนภายนอกเราเอาใจของเราเนี่เป็นดอกไม้หรือว่าได้อนิสงส์เช่นเดียวกันดอกไม้ก็เป็นสัญลักษณ์ภายนอกชนิดหนึ่งแต่เมื่อมีก็ทำให้ใจของเรามั่นขึ้นเมื่อไม่มีเราก็เอาดอกไม้ที่ใจของเราเนี่ยแหละจบนะ แล้วก็จะถ่ายนี้หนึ่งว่าจ <c oughs> บแล้ว่าคุณนะ